ตอนที่21รำลึกถึงพระคุณแม่รำลึกถึงพระคุณ ใครนอคอยดูแลย่าแม่แก่ชราจำวันที่พันจากมาได้ติดตาโอมาดาผู้ล้ำพระคุณย่าเมื่อลูกยังน้อยเฝ้าคอยพน้อใจพร้อมไอ้ ใจคอยกรุณเจือจุนรักด่างดวงใจเมตตาใหญ่ลวงห่วงใยลูกกลับไปแม่แกว้งไวกลอมโะเลยจึงกลับพื้นสู่พื้น แผ่นดินมานดาด้วยเหุดังวา่ากลับมาบ้านเกิดพื้นเพมาทดแทนในอุ่นพระคุณแม่สมคเนท้อํ ท, ทำ่ายเทให้จนได้การโปรดมาดาจนชื่นบาน เริอนในทำสําราญซึมซ่านดวงใจแม่ยามแม่ป่วยไม่สบายถ้าอยู่ยามาให้ห่วงยายอยู่ทุกนาที อันว่าส่วนของโยมบิดานั้นมารับลวงโดยไม่มีทางเลี้ยงอายุโยมพ่อเพียงเพียงห้าสิบห้าปีพอถึงการดับคันชีวีบุพการี ท่านจึงมีเลือเพียงมานดาอายุโยมแม่นั้น ครบหสิบปีท่านกลับมาพอดีบวชชีให้แต่นั้นมาแล้วพาไปจันทบุรีชีทำให้ซึ้งหรารักเสียงแค่หนึ่งพันษามารดาเกิดป่วยท่านได้ป่วยเป็นอัมมาร้ายจึงพามารดาย้อนไปบ้านตาดอีกที รักษาอยู่สามปีจนแม่นั้นหายดีไม่มีทอดทิ้งแม่เลย าการที่ต้องอยู่พยาบาลโยมานดาเป็นเวลานานๆทั้งโยมานดานั้นก็มีอายุมากแล้วการจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันในสถานที่อันุรกันดาลตามอัธฉยาสายเดิมที่เคยเป็นมาของท่านนั้นพอจะสร้างความลำบากให้กับโยมานดามากขึ้นไปอีกท่านจึงดำริที่จะสร้างวัดขึ้นมาสักแห่งหนึ่งประจวบกับในเวลานั้นชาวบ้านตากก็ได้ยินได้รู้กิติศัพท์กิติุณของท่านมานาน